ทยบริกรมรมโพโตก็ฝึกแบบนี้แหละแบบเดิมันแหละในรูปแบบแต่ถ้าให้เก่งกว่านั้นหมายความว่าไม่ใช้รูปแบบแต่สามารถที่จะเห็นความเกิดขึ้นความตั้งอยู่และความดับไปของของกายของจิตของอาการต่างๆเห็นเห็นได้ในขณะที่ใช้ในชีวิตประจำวันผู้ที่ปฏิบัติเก่งแล้วเนี่ยย่อมเห็นได้ย่อมรู้ได้แม้ว่าในชีวิตประจาวันนี่แหละที่กลังทานู่นทานี่กาลังพูดคุยกาลังเดินทาง ก็เห็นสภาพธรรมก็คือเห็นความแปรปรวนของทางร่างกายและจิตใจได้โดยที่ไม่ต้องมากําหนดหรือจดจ่อหรืออะไรก็สามารถเห็นได้นะเพราะฉะนั้นการเห็นเขาเรียกว่าการเห็นความแปรปรวนของร่างกายของจิตใจที่นอกรูปแบบที่เห็นได้นี่ถือว่ามีความก้าวหน้าแล้วนะมีสติคล่องแคล่วที่จะเห็นตามความเป็นจริงในขณะปัจจุบัน ในขณะที่กำลังทำกำลังพูดกำลังคิดก็จะเห็นสิ่งเหล่านี้เพราะงั้นก็พวกเราเราลองดูว่าที่เราปฏิบัติทรมานานที่จะพัฒนาคืออยู่นอกรูปแบบแล้วก็ให้คล่องแคล่วว่องไวชานาญในการที่จะรู้เห็นสภาพธรรมะแปรปรวนมันเกิดดับได้อย่างคล่องแคล่วว่องไวผู้ที่เริ่มใหม่นะก็ต้องทำรูปแบบก่อนถ้าเห็นว่า เอ่อนอกรูปแบบก็รู้สึกว่ามันก็ได้นะรู้ได้นี่เนาะเกิดอะไรขึ้นในกายในจิตมีอารมณ์หงุดหงิดก็รู้ได้นี่เนาะอ๋อความหงุดหงิดก็เกิดเองเอ้าวอยู่ๆความหงุดหงิดก็หายไปเห็นไหยหรืออยู่ๆความโกรธเกิดขึ้นก็จะรู้ว่าอ้าความโกรธก็เกิดเองอ้าความเกิดความโกรธก็ดับเองเนี่ยก็เริ่มเห็นการเกิดการดับแล้วก็จะเข้าใจมันจะโกรธมันจะรักมันจะชังอะไรก็เถอะถ้าเราถึงขั้นเดินปัญญานะก็คือว่า ไม่ต้องกดไม่ต้องข่มเพียงแต่เห็นตามที่มันกำลังแสดงให้ดูมันเป็นอย่างไรก็รู้ว่าเป็นอย่างนั้นมันเป็นอย่างไรก็รู้ว่าเป็นอย่างนั้นแหละเพราะว่าในทางปัญญาก็คือชื่อมันก็บอกอยู่แล้วคือให้เห็นตามความเป็นจริงของสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏว่ามันไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเพราะนั้นอย่าอย่าเลือกเอาแต่สิ่งที่ดีๆถูกใจนะ เพราะว่าการเดินปัญญาเนี่ยทั้งดีทั้งไม่ดีทั้งถูกใจทั้งไม่ถูกใจเนี่ยรู้หมดแหละรู้มันรู้มันเพียงแต่รู้แล้วก็คือไม่ได้ยึดถือนะได้แต่รู้แล้วก็ไม่ได้ยึดถือคือดีก็ไม่ยึดไม่ดีก็ไม่ยึดได้แต่รู้แล้วก็ผ่านไปได้แต่รู้แล้วก็ผ่านไปอันนี้คือหนทางการปฏิบัติที่จะพ้นทุกข์ได้นะถ้าปฏิบัติถูกมันก็พ้นทุกข์ในปัจจุบันแหละถ้าปฏิบัติผิดก็คือ ก็ยังผูกไม่ถูกก็ค่อยๆเรียนรู้ศึกษาต่อไปอมันมีบางช่วงที่ที่ศีลเรามันมันไม่มันไม่บริสุทธิ์ร้อยเปอร์็นต์ะไรอยงี้ค่ะก็จะมีบางช่วงเวลาที่มันด่างพร้อยอย่างเนาะแล้วมันจะมีความคิดหนึงติดอยู่ในใจเสมอว่าถ้าไปที่ศีลเราบริสุทธิ์อ่ะเราก็จะภาวนาขึ้นไม่ได้มันมันจะมีประเด็นเนี้ยติดอยู่ในใจเสมอเลยอะค่ะเวลา เหมือนไม้ไเซ้ my, my บางอย่างที่มันฝังใจเราอยู่ว่าสีลไม่ได้นะภาวนาแล้วขึ้นไม่ได้หรอกอะไรประมาณ น, นี้ประเด็นแรกนะค ะ, อะของพ่อค่ะแล้วก็มีประเด็นที่สองที่ที่สงสัยก็คือว่าวเราควรจะตั้งเป้าหมายในการ ภาวนาในชาตินี้ไหมคะว่าเราควรจะฉีมจุดไหนหรือว่าเราควรจะภาวนาในชีวิตประจำวันไปเรื่อยๆโดยที่เราไม่ต้องข้องเก้า อ, อ, อะไรเลยนะคะก็ต้องวกกลับมาถึงของการเจริญสติที่ถูกต้องนะถ้าปฏิบัติไม่ถูกต้องเนี่ยมันก็ถึงจะมีความเพียรถึงจะใช้เวลานานเมื่อมันไม่ถูกต้องมันก็ไม่สามารถบรรลุบรรลุผล ไม่สามารถที่จะถึงเป้าหมายปลายทางได้อย่างอย่างของของโยมที่เล่าในเบื้องต้นเนี่ยที่บอกว่ามันรู้สึกว่าศีลมันยังมีความบกพร่องอย่างนั้นอย่างนี้อยู่เนาะแล้วก็ลึกๆ ก, ก็คือไม่อยากให้มันเป็นอย่างนั้นแหละคือให้มันให้ศีลบริสุทธิ์ขึ้นทีนี้หลวงพ่อจะพูดถึงเรื่องของความรู้สึกตัวเนี่ยคือความรู้สึกตัวคือต้องต้องรู้ที่ตัวเราอนการบกพร่องในศีลเนี่ยเหมือนกับว่าตัวเราเนี่ยไปรู้เข้าว่า เออรู้สึกว่าศีลมันไม่ค่อยมันไม่บริสุทธิ์น่ะนี่คือตัวเราไปรู้ไปรู้ว่ามันมันมันไม่บริสุทธิ์นะอาจจะไม่บริสุทธิ์ทั้งกายทั้งวาจาทั้งการกระทําเนี่ยอันเนี้ยตัวเราไปรู้แต่ทีนี้การฝึกสติก็คือรู้ตัวเรานะเพราะฉะนั้นรู้ตัวเราเนี่ยอย่าไปสนใจในเรื่องที่ว่าไอความไม่บริสุทธิ์เนี่ยเป็นสิ่งคืออย่าไปปักใจกับความไม่บริสุทธิ์อันนั้น แต่สิ่งที่ปฏิบัติให้ถูกเรื่องของความรู้สึกตัวคือรู้ตัวเรารู้ตัวเราตัวเราคนไหนตัวเราคือตัวที่ที่บ่นพูดภาคว่าเราเนี่ยไม่บริสุทธิ์เนี่ยทํำยังไงให้เราบริสุทธิ์หรือว่าไอตัวเราที่ไม่ชอบอ่ะไอตัวเราที่ไม่ชอบความไม่บริสุทธิ์อันนั้นเนี่ยตัวเราไม่ชอบมากเลยตัวเราอยากให้มันบริสุทธิ์เพราะฉะนั้นคําว่ารู้ตัวคือรู้ตัวเรารู้ตัวเราไอตัวที่มันชอบไปยุ่งกับ กับความไม่บริสุทธนะิ์น่ะอืมไอ้ตัวเนี้ยชอบไปยุ่งความไม่บริสุทธิ์แล้วก็ตัวเราก็ชอบยุ่งยุ่งเรื่องว่าเมื่อเราจะบริสุทธิ์สักทีหนึ่งการรู้ให้ถูกตัวการรู้ด้วยสติสัมปชัญญะที่ถูกตัวคือรู้ตัวเราอย่าไปสนใจกับสิ่งอื่นที่เราไปรู้อ่าอันนี้นีป้ประเด็นนี้ส่วนหนึ่งนะอ่าเรื่องการตั้งเป้าหมายน ะ, ะเมื่อกี้ที่หลวงพ่อจําได้ก็มีการพูดถึงตั้งเป้าหมายว่าเออมันตั้งเป้าหมายได้ไหมหรือ มันจะเมื่อไหร่มันจะถึงที่สุดเนี่ยตรงเนี้มันก็มีตัวเราเป็นผู้ตั้งเป้าหมายนะไอเป้าหมายเนี่ยที่มันอยู่ที่ไหนมันอยู่ไกลๆตรงนั้นอย่าไปสนใจมันเพราะว่ามันไม่รู้หรอกว่าที่สุดของมันมันอยู่ที่ตรงไหนแต่สิ่งที่ต้องฝึกก็คือรู้ตัวเราตัวเราที่เป็นผู้กําหนดเป้าหมายรู้ตัวเราผู้ที่จะไปให้ถึงนะเพราะนั้นเนี่ยสติเนี่ยคือความรู้สึกตัวเนี่ยคือมันอยู่ที่รู้ตัว ตัวที่ผู้รู้ตัวไหนรู้ตัวที่เป็นผู้กำหนดเป้าหมายเมื่อรู้ตัวเสร็จแล้วเนี่ยตรงนี้เท่ากับว่ารู้ตัวตามหลักสติปัฏฐานสูตรแต่ถ้าเราไม่รู้ตัวตรงนี้นะเราจะตัวเราเนี่ยจะไปให้ถึงเป้าหมายจะไปให้ถึงเป้าหมายแต่ไม่รู้ว่าเป้าหมายอยู่ตรงไหนแต่จริ ง, งนเป้าหมายที่ถูกต้องก็คือให้รู้ตัวเราผู้ที่จะไปให้ถึงเป้าหมาย รู้ตัวเรารู้ตรงนี้ยังไงเมื่อรู้ตัวเราเสร็จแล้วเนี่ยความดิ้นรนความทะยานอยากที่จะไปให้ถึงเนี่ยมันถูกตัดขาดลงเหตุที่ตัดขาดเพราะว่ารู้แล้วนี่ว่าการรู้ตัวการรู้สึกตัวเนี่ยคือพระพุทธเจ้าสอนให้รู้ตรงนี้ไม่ได้สอนให้รู้ที่เป้าหมายเมื่อรู้ตรงนี้รู้ตัวรู้ตรงที่ตัวเราเท่ากับว่ารู้ถูกตัวพอรู้ถูกตัวเสร็จแล้วเนี่ยเนี่ยตอนนี้ยก็เรียกว่า ไอ้จิตที่จะดิ้นที่จะไปหาข้างหน้าเนี่ยมันไม่เกิดเพราะว่ามันมารู้อยู่ที่ตัวแล้วก็ยิ่งให้มีปัญญามากไปกว่านี้อีกก็จะรู้ว่าไอ้ตัวเราพูดที่วางเป้าหมายเนี่ยไอ้ตัวเนี้ยมันเป็นสังขารไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตามันไม่ใช่ตัวเราจริงๆแต่มันเป็นสังขารเป็นสิ่งที่เกิดแล้วมันก็แก่เจ็บตายไปเนี่ยไอ้ตัวเราผู้วางเป้าหมายะนะ อ๋อไอ้ตัวนี้มันเป็นสังขารในเที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเอา้าไอ้ตัวนี้มันยึดถือไม่ได้นี่พระพุทธเจ้าบอกว่ามันเกิดแล้วแก่เจ็บตายไปพระพุทธเจ้าบอกเมื่อรู้แล้วเนี่ยก็เพียงแต่รู้และก็อย่ามยึดเท่ากับปล่อยวางแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยรู้ตัวให้ถูกต้องคือรู้ตัวเราอย่าเอาตัวเราไปตามหาหรือไปเอาอะไรตามที่เราต้องการนี่ให้โยม คุยกับหลวงพ่อว่าที่หลวงพ่ออธิบายแบบนี้เก็ตไหมเข้าใจไหมถึ ง, ถงใครเข้าใจกระจายชินอีกหน่อยได้ไหมคะเพ่อนๆไม่ไม่ยังไม่เก็บคำว่าตัวเราะเอะค่ะอหลวงพ่อพอจะบอกอะไรได้ไหมว่าทําให้เราเนี่ยยั่งขึ้นตรงนี้ลองดูดีๆนะว่าคนที่พูดว่าให้หลวงพ่อเนี่ยพูด ขยายหรืออะไรเนี่ยให้ให้เรากระจ่างขึ้นเนมันคล้ายๆว่าตัวเราเนี่ยยังไปยังไปเหมือนกับว่าอยากจะรู้บางสิ่งบางอย่างที่ให้มันชัดให้มันกระจ่างเห็นไหมตัวเราเนี่ยเหมือนกับว่าอยากจะให้กระจ่างอีกเพราะงั้นหลวงพ่อก็จะบอกเลยว่าการที่จะทําให้กระจ่างให้กระจ่างเดี๋ยวนี้ก็คือให้รู้ตัวเราผู้ที่อยากจะให้กระจ่าง เนี่ยกระจ่างไม่ถ้าเห็นตัวเรามันก็จะเห็นกระจ่างเลยว่าเอ้ามันอยู่ยอดปากคอกเองนี่โอมันอยู่ตรงนี้เองมันอยู่ที่ตรงตัวเราผู้อยากจะให้กระจ่างถ้าเห็นตัวเรารู้ตัวเราตัวเนี้ยนั่นแหละคือเกิดความกระจ่างแล้วเพราะเห็นแล้วแต่ถ้าไม่เห็นตัวเราในปัจจุบันนี้เนาะมันก็มืดมันไม่กระจ่างแต่ถ้าเห็นตัวเราตัวโยมนยั่แหละเดี๋ยวนี้มันก็อ๋อเอ้าเห็นแล้ว เห็นตัวเองแค่นี้ก็กระจ่างแล้วหลวงลงพ่อจะจะยกตัวอย่างใหม่อีกนะจริงจริงจงมันอาจจะง่ายก็ได้เดี๋ยวลองฟังดูสมุติญาณนะจะไปตลาดโยมจะไปตลาดคนเวลาไปตลาดเนี่ยใจเนี่ยก็จะมุ่งไปที่ตลาดแล้วแต่ผู้ไปตลาดก็คือตัวโยมใช่ไหมทีนี้ถ้าเราเนี่ยเอาแต่รู้เรื่องของตลาดว่าตลาดขายนู่นขายนี่นะ อย่างเนี้ยเท่ากับว่าไม่รู้ตัวเราแต่ถ้ารู้ตัวเราคือรู้ตัวเราผู้จะไปตลาดการที่รู้ตัวเราผู้จะไปตลาดเนี่ยตรงเนี้ยเท่ากับว่ารู้เราแหละเนี่ยตรงเนี้ยหลวงพ่อต้องเน้นคาว่ารู้เราก็เพื่ออะไรเพราะการรู้ถูกตัวการรู้ถูกต้องเนี่ยต้องมารู้ที่เราไม่ใช่ไปรู้ที่ตลาดทีนี้พออันนี้ตัวอย่างนี้เป็นตัวอย่างหนึ่งนะ ทีนี้ตัวอย่างเพื่อความไปถึงนิพพานบ้างสมมติหลวงพ่อจะพูดแบบนี้คือตัวเราเนี่ยมีทุกข์มากตัวเราก็อยากจะปฏิบัติธรรมแล้วก็เดินทางไปให้ถึงนิพพานแต่จริงอันนิพพานเราก็ไม่เคยรู้จักเนาะว่านิพพานอยู่ที่ไหนแต่ตัวเราเนี่ยก็จะไปหานิพพานหลวงพ่อเขาบอกว่าถ้ามัวแต่เอาตัวเราไปหานิพพานเนี่ยก็จะไม่พบนิพพานทางเดินทางไปที่จะให้ถึงนิพพานคือ ต้องรู้ตัวเราผู้ไปหานิ r พา n น, นะทีนี้พอมารู้ตัวเราผู้ไปหานิ r พานแล้วนะรู้แล้วนะพอรู้เสร็จแล้วเนี่ยก็จะพบว่าตัวเราผู้ไปหานิ r พานเนี่ยจริงๆมันก็ไม่ใช่ตัวเราที่ไม่ใช่ตัวเราก็เพราะว่ามันคือขันห้ามันคือขันทั้งห้าเพราะฉะนั้นพอเราพบตัวเราเท่ากับว่าพบแล้วคือพบขันทั้งห้า ขันธ์ห้าเป็นยังไงขันธ์ห้าคือเกิดขึ้นมาแล้วต้องแก่เจ็บตายไปเพราะฉะนั้นตัวเราเนี่ยที่พบแล้วเนี่ยไอ้ตัวเนี้ยเป็นของที่เกิดของที่ตายมันยึดถือไม่ได้นะพอยึดถือไม่ได้ก็เสร็จแล้วก็คือได้แต่เห็นตัวตัวขันห้าก็สุดท้ายเนี่ยไอ้ตัวที่มันพ้นไปจากขันห้าก็คือตัวไหนล่ะก็ตัวที่มารู้ตัวเรา ไอ้ตัวที่รู้ตัวเราไอ้ตัวเนี้ยมันพ้นไปจากเราแล้วมันไม่มีตัวแต่มันเป็นความรู้มันเป็นยานเออมันเป็นรู้พอเป็นอย่างนี้จะเข้าใจเลยว่าโอ้การรู้ตัวจริงๆง่ายนิดเดียวทุกคือรู้ตัวเนี่ยไอ้ตัวที่เราที่กําลังพูดไอ้ตัวที่เรากําลังคิดไอ้ตัวเราที่กําลังหานิพทรีเนี่ยไอ้ตัวไอ้ตัวเราที่ไปตลาดเน่ะก็รู้ตัวนี้เมื่อรู้ตัวแล้วเท่ากับว่าเห็นตัวพอเห็นตัวเสร็จแล้ว ต่อยอดในทางปัญญาหน่อยว่าไอ้ตัวเรานี่คือตัวเกิดตัวแก่ตัวเจ็บตัวตายอ๋อยึดถือไม่ได้เพราะฉะนั้นได้แต่รู้ตัวแล้วก็รู้แล้วแบบไม่ยึดถือแค่เนี้ยมันก็ถึงนิพพานหลวงพายกตัวอย่างมาสองเรื่องไม่รู้พอจะเข้าใจเพิ่มเติมไหมพ่อยกตัวอย่างเนี่ยมันเป็นแค่จําลองเพื่อให้เราเหมือนกับว่าเห็นภาพเห็นภาพเช่นเห็นภาพอะไรเห็นภาพว่าเออมีตัวเราและตัวเราจะไปตลาด ตลาดเนี่ยมันเป็นปลายทางใช่ไหมแต่ตัวเราเนี่ยมันเป็นต้นทางที่เริ่มออกจากบ้านเนี่ยก็คือไปตลาดทีนี้หลวงพ่อก็บอกว่าการปฏิบัติเรื่องของความรู้สึกตัวเนี่ยไม่ใช่ว่าเราไปรู้ตลาดแต่เราต้องรู้ตัวเราผู้ไปตลาดอ่าใช่ไหมแล้วก็อย่างถ้าเป็นปัจจุบันนะสมมติว่าปัจจุบันแต่จริงๆมันปัจจุบันมันผ่านไปหมดแล้วหลวงพ่อก็ขอยอดขอพูด สิ่งที่มันเพิ่งผ่านก็นแล้วกันถือว่ายังเป็นเหตุการณ์ที่สดสดที่ที่โยมบอกว่าโยมขอใช้เวลาอีกสักหน่อยหนึ่งนะค่อยๆฝึกฝนไปเดี๋ยวก็อาจจะสักวันหนึ่งก็คงจะเข้าใจอันนี้คือสิ่งที่โยมพูดหลวงพ่อก็จะชี้ให้เห็นว่าไอสิ่งที่จะไปถึงเนะี่ยตรงนั้นนะ่ยวางไว้ก่อนเลยไม่ต้องไปสนใจมันแต่สิ่งที่ กิจนะหมายถึงว่าสิ่งที่ต้องต้องทำเดี๋ยวนี้ต้องรู้เดี๋ยวนี้คือรู้ตัวเราว่าเราเนี่ยเป็นคนพูดว่าต้องรอเวลาอีกหน่อยหนึ่งแล้วก็อาจจะเข้าใจเพราะฉะนั้นหลักสติปัฏฐานคือรู้ตัวเราที่กําลังพูดที่กำลังเอ่อกำลังวางเป้าหมายว่าเออใช้เวลาอีกสักหน่อยหนึ่งแล้วก็มันอาจจะเข้าใจเพราะนั้นเนี่ยตรงนี้ให้รู้ต้นทางให้รู้ขี้ตัวเราไม่ใช่ไปรู้ที่ปลายทาง มันมันจะง่ายขึ้นไหมหรือว่ายังไม่เข้าใจคุยเพราะว่าถ้าเรารู้ตัวในปัจจุบันไม่เป็นเนี่ยมันจะเนิ่นช้าจะเสียเวลาอีกเยอะแต่ตอนนี้เหมือนกับว่ามีโอกาสเนะเออลองน้อมพินาดูที่เวลาหลวงพ่อชี้แบบนั้นแบบนี้เนี่ยเห็นตามได้ไหมอ่ะเดี๋ยวหลวงพ่อยกตัวอย่างอีกสักอันหนึ่งตอนนี้ก็ได้นะเอาเหตุการณ์จริงเนาะเหตุการณ์จริงเดี๋ยวโยมคุยกับหลวงพ่อเนาะ ตอนนี้บานลเออเมื่อกี้บอกว่ามาอะไรมาฉีดวัคซีนเหรอมาพาลูกมาเนาะเจ้าค่ะอ่าแล้วแล้วก็ตอนนี้นั่งอยู่ในในห้องห้องรวมซึ่งมีผู้คนอื่นด้วยไหมมีเจ้าค่ะมีนะอ่าหลวงพ่อจะมองอย่างนี้หลวงเออโยมลองมองสิ่งที่อยู่นอกตัวเราเนาะก็จะมีผู้คนใช่ไหมเออจะมีผู้คนมากมายอาจจะมากไม่มากแต่ว่าโอเครู้ได้แล้วกันว่ามีผู้คนนะพอเห็นผู้คนเสร็จแล้วเนี่ย เวลาปฏิบัติเนี่ยเราไม่ได้เน้นว่าให้ไปเห็นคนอื่นแต่ต้องกลับมาเห็นตัวเราผู้เห็นคนอื่นนะให้เห็นตัวเราผู้เห็นคนอื่นทีนี้หลวงพ่อก็พูดอย่างนี้เห็นตามได้ไหมว่าอ๋อไม่ใช่ว่าเรามัมแต่มองคนอื่นนะแต่ต้องมองมาที่ตัวคือก็เรียกว่าให้รู้ตัวเราด้วยว่าตัวเราเนี่ยเป็นผู้เห็นคนอื่น การที่รู้ตัวเราผู้เห็นคนอื่นเนี่ยถ้ากลัาว่าตรงเนี้ยกลับมารู้ตัวและเป็นปัจจุบันด้วยทีนี้จุดติดพลาดคนที่รู้ตัวไม่เป็นเนี่ยก็คือรู้แต่สิ่งที่อยู่นอกตัวรู้หมดเลยนะคนนั้นคนนี้คนนี้แต่ไม่รู้ตัวเราที่เป็นผู้รู้ถ้าไม่รู้ตัวเราผู้เป็นไม่รู้ตัวเราผู้ผู้รู้เนี่ยที่ไปรู้คนอื่นเนี่ยมันจะทำให้รู้เาเรียกว่ารู้ไม่ถูกตัวถ้ารู้ไม่ถูกตัวเนี่ยเนื่นช้าแน่นอนเจ็ดปีก็ ไม่สามารถบรรลุได้แต่ถ้ารู้ถูกตัวรู้ถูกตัวเดี๋ยวนี้ตอนนี้ก็จะเกิดการเข้าใจขึ้นเลยมาว่าเอา้การมีสติรู้ตัวที่ถูกต้องนี่คือรู้ตัวเรานี่รู้ตัวเราทั้งตัวเนี่ยรู้ตัวเราแบบรวมๆไม่ได้เพ่งไม่ได้จ้องเพียงแต่ว่ารู้จักตัวเราเป็นอย่างดีว่าไอตัวเราเนี่ยเป็นสิ่งถูกรู้นี่หลวงพ่อก็จะถามถึงว่าที่หลวงพ่ออธิบายแบบนี้มันยังยังง ง, งไมหมเนอเก็ตนะตรงเนี้ต้องจเจริญให้มาก ตอนนี้ที่โยมอยู่ในสถานที่ตรงนั้นแหละก็โยมก็มองคนอื่นดิพอมองคนอื่นปั๊บมันก็จะรู้อยู่แก่ใจว่าคนอื่นน่ยไม่ใช่ตัวโยมแต่ตัวโยมเนี่ยคือคนที่มองคนอื่นต่างหากแล้วก็โยมก็ซ้อมข้าใจให้มันเกิดความจานานโยมก็มองคนอื่นแต่พอมองคนอื่นปั๊บมันก็เห็นตัวเองอยู่เรื่อยเลยเพราะมันมันได้ทางแล้วนี่มันรู้จักตัวเองแล้วว่าตัวเองเนี่ยไม่ใช่คนอื่นพอเป็นอย่างนี้โยมก็นั่งนั่งมองคนอื่นแล้วโยมก็จะเห็นตัวเองนั่งมองคนอื่นแล้วมันก็จะเห็นตัวเองอยู่เรื่อยเลย โอ้พอตรงนี้มันเริ่มมีความชั่นาญขึ้นว่าตัวเองเป็นสิ่งถูกรู้นะทีนี้พอเราเข้าใจเรื่องไอ้ตัวเองเนี่ยตัวเราเนี่ยเป็นสิ่งถูกรู้เสร็จแล้วเนี่ยอันเนี้ยในทางปัญญาที่เคยสะสมจากการได้ยินขึ้นมาว่าไอ้ตัวเราเนี่ยมันไม่ใช่ตัวเราแต่มันเป็นสิ่งที่ประกอบกันของขันห้าหรือว่าเป็นส่วนที่ประกอบกันของดินน้ำไฟลมซึ่งมันไม่ใช่ตัวเราที่แท้จริงถ้าตัวเราที่แท้จริงเนี่ย ตัวนี้จะต้องไม่แก่ไม่เจ็บและก็ไม่ตายจะต้องอยู่โยงคงกระพันแต่เนื่องจากว่าในข้อเท็จจริงเนี่ยไอ้ตัวเราเนี่ยไอ้ตัวเนี้ยมันเกิดแก่เจ็บตายเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจึงไม่ใช่ตัวจริงมันเป็นตัวปลอมเป็นตัวปลอมถ้าตัวจริงจะต้องไม่แก่ไม่เจ็บและไม่ตายพอเรารู้จักตัวเราว่าเป็นตัวปลอมเสร็จแล้วเนี่ยแสดงว่ามันต้องมีตัวจริงอีกหนึ่งตัวจริงที่เป็นของแท้ไม่ปลอม ไอ้ตัวเนี้ยมันจะอธิบายยังไงมันค่อนข้างยากแต่ในเบื้องต้นนี้ขอให้รู้จักตัวตัวปลอมก่อนว่าตัวเราเนี่ยคือตัวปลอมไม่ใช่ตัวจริงนี้พอเข้าใจชัดขึ้นเอถ้าอย่างนั้นกราบถามหลวงพ่อต่อว่าที่ฝึกฝึกที่หลวงพ่อให้นั่งมองตัวเองไม่สักครู่เนี่ยค่ะที่เหมือนว่าเราเห็นเราเราเห็นตัวเองมันเห็นตัวเองกําลังนั่งอยู่แล้วก็เห็นตัวเองกําลังมองเห็นตัวเองกําลังคิดเหมือนมีอีกคนมองมองตัวเองอยู่ อย่างนี้ไหมคะโอเคโอเคถ้ากายว่าโยมเริ่มรู้จักอีกตัวหนึ่งแล้วแต่ว่าก็ไม่รู้ว่าเขาเรียกอะไรแล้วก็เข้าใจแล้วว่าโอ้มันมีอีกตัวหนึ่งที่มารู้ตัวเราอันเนี้ยถูกต้องแล้วเอาตรงนี้ให้ให้ชํานาญพอสมควรก่อนนะหมายถึงนั้วเนี่ยโยมก็นั่งอย่างนี้แหละตามที่หลวงพ่อแนะนําเนี่ยโยมก็ในในหลักสติปัฏฐานเนี่ยมันก็พูดถึงนะเรื่องนี้ยก็บอกว่ารู้กายภายนอกบ้างรู้กายภายในบ้างกายภายนอกก็คือคนอื่นนะเนี่ยรู้คนอื่นบ้าง แล้วก็รู้กายภายในก็คือรู้ตัวเราผู้ผู้มองคนอื่นนั่นแหละอ่ะมันก็รู้แล้วก็พออยู่อย่างเนี้ยมันเหมือนกับว่าง่ายมากเลยในการที่จะรู้ตัวเองอ่ะทําไมมันง่ายละ่ะก็เพราะมันรู้จักแล้วนี่ไอตอนที่ไม่รู้จักนะโอ้โยมเอ้ยนี่หลวงพ่อเข้าห้องคลับมาตั้งนานแล้วเนี่ยพูดแต่เรื่องนี้ยแต่คนก็ยังยังฟังไม่ออกเราว่าโยมเนี่ยไวมากนะเนี่ยเออที่จะสิ่งถูกรู้มันมีอีกรู้หนึ่งอีมารู้ตัวเราอ่าทีนี้ก็โยมก็ แล้วเวลาฝึกอย่างนี้นะโยมก็หมายความว่าโยมอยู่ที่ไหนก็โยมก็ใช้วิธีนี้แหละตอนเป็นนั่งห้องน้ําโยมก็เห้องน้ําไม่มีใครนี่มีเรานั่งอยู่คนเดียวตอนนอนโยมอยู่บ้านอ๋อบ้านทั้งหลังก็ไม่เห็นใครอ๋อแต่เห็นเราอยู่คนเดียวเนี่ยมันเริ่มเริ่มเห็นเราแล้วว่าเราเนี่ยมีอยู่และก็เป็นสิ่งถูกถูกรู้หรือเป็นสิ่งถูกเห็นแต่ทีเนี้ยมันต้องมีผู้รู้ผู้เห็นแน่นอนอ่ะถ้าไม่ถ้าไม่มีผู้รู้ผู้เห็นนะ แล้วมันจะรู้ได้ไงว่ามีตัวเราเนี่ยตรงนี้ยมันจะเริ่มชัดีถ้าเกิดว่ามีห้องห้องว่างอยู่ห้องหนึ่งนะคะแล้วในนั้นเนี่ยมีในดํานะคะในแดงในเขียวอยู่ในห้องนั้นและคุณจริรยาเดินเข้าไปคุณจริรยาเห็นคนอยู่ น, นั้นกี่คนคะสามค่ะคิดอีกทีหนึ่งค่ะมองให้กว้างๆค่ะห้องนั้นมีในดํา ในแดงในเขียวแล้วคุณจิรยาเดินเข้าไปในห้องนั้นมีคนทั้งหมดกี่คนคะสี่ค่ะก <c oughs> ็เป็นจะมีคนหนึ่ง <c oughs> ที่ได้เข้าไปนะค่ะมันเราเห็นตัวเองค่ะนี่แหละที่พระพุทธเจ้าสอนเนี่ยให้เห็นตัวเองให้รู้ตัวเองก็คือแบบนี้ส่วนมากอะ่ะคนอะไม่เห็นตัวเองแต่เอาตัวเองอะไปเห็นคนอื่นเห็นนายเขียวนายแดงนายอะไรก็ว่าไปแต่ขาดสติไม่เห็นตัวเอง เพราะนั้นสิ่งที่พัฒนาเนี่ยก็ให้เห็นตัวเองอย่างมีความต่อเนื่องและํานาญส่วนไอเห็นคนอื่นมันเห็นเป็นมาตั้งแต่เกิดแล้วไอนั้นอะ่ะก็ไม่ได้ห้ามไม่ได้อะไรแต่ตอนนี้เริ่มเพิ่มเติมขึ้นมาคือเพียงที่จะให้รู้ตัวเองให้เห็นตัวเองนะทีนี้ถ้าหลวงพ่อจะพูดในในแบบขยายที่มันกว้างกว้างเนี่ยตอนนี้โยมอาจจะเห็นแล้วละ่ะสมมติว่า ตอนนี้นะเราเห็นเราเห็นคนอื่นเราเห็นโต๊ะเก้าอี้เห็นอะไรมากมายเนาะแต่ใน่ามกลางของสิ่งถูกเห็นเหล่านั้นมันก็จะมีตัวเองอยู่ในในในบริเวณนั้นด้วยแล้วพอโยมองไปทั้งกว้างกว้างมองไปข้างนอกไกลกลิบๆแต่สุดท้ายมันก็เห็นตัวเองอยู่เพราะนั้นน่ะตัวเองเนี่ยก็อยู่ถ้าถ้าพูดแบบพอให้เข้าใจนะก็คือตัวเองเนี่ยเป็นสิ่งที่มีอยู่ก็อยู่ใน่ามกลางของสิ่งอื่นมากมาย เนี่ยตรงนี้เขาเรียกว่าเห็นตัวเองแล้วตัวเองก็เป็นสิ่งถูกเห็นเหมือนกับคนอื่นที่เราไปเห็นเขาตัวเราเนี่ยตัวเองเนี่ยเป็นสิ่งถูกเห็นเหมือนกับโต๊ะเก้าอี้ก็เป็นสิ่งถูกเห็นเหมือนนายดำนายเขียวนายแดงก็เป็นสิ่งถูกเห็นนะความว่างระยะห่างเรากับคนอื่นมันก็เป็นสิ่งถูกเห็นนะทีนี้มันสําคัญตรงที่ว่าเมื่อตัวเราเป็นสิ่งถูกเห็นเนี่ย ตรงนี้อยเปอร์ซ์ย่อมมีอีกสิ่งหนึ่งที่มาเห็นตัวเราสิ่งนั้นแหละโยมคือสุดยอดของธรรมชาติสุดยอดของธรรมชาติที่รู้ได้ยากเข้าใจได้ยากถ้ารู้จักอย่างนี้มันจะพ้นทุกได้ในปัจจุบันพ้นทุกอย่างไรพ้นทุกก็คือว่าไอตัวเราหรือสิ่งอื่นๆที่ถูกเห็นเนี่ยล้วนแต่เกิดแก่เจ็บตายทั้งหมดเลยนะเป็นของเน่าเปื่อยผุพัง มีแล้วหมดไปมีแล้วหายไปมันไม่ได้เป็นตัวเป็นตนอยู่จริงนะมันเท่ากับว่าเกิดมาแล้วสุดท้ายมันก็หาร่องรอยไม่เจอความเป็นรูปเป็นแท่งเป็นก้อนก็หาไม่เจอเพราะว่ามันแตกกระจายไม่รู้ไปอยู่ตรงไหนก็เป็นดินน้ำไฟลมเป็นกระจายเป็นเป็นอวกาศเป็นเป็นลมเป็นดินเป็นน้ำไปเลยนะซึ่งดินน้ำไฟลมมันก็ไม่ใช่เราแล้วไอสิ่งที่เห็นตัวเรามันก็ไม่รู้อยู่ไหน มันก็เป็นธรรมชาติอย่างหนึ่งแต่มันมีอยู่ซึ่งอันเนี้ยเขาเรียกว่ามีอยู่อย่างไม่ปรากฏมีอยู่อย่างไม่ไม่ปรากฏก็หมายความว่าเราเนี่ยไม่สามารถที่จะพบธรรมชาติที่รู้ตัวเราได้ว่าเขาอยู่ที่ไหนยังไงแต่รู้ได้อย่างเดียวว่าเขารู้ตัวเราได้ตรงเนี้ยมันจึงเกิดปัญญาว่าธรรมชาติแท้ธรรมชาติสูงสุดธรรมชาติ เขเรียกว่าจริงแท้ก็คือธรรมชาติที่รู้ตัวเราแต่ตัวเราเป็นตัวปลอมตัวจริงคือตัวที่ไม่มีตัวแล้วรู้ตัวเราได้ไอตัวจริงนั่นแหละไอตัวที่มันไม่ทุกข์ไม่สุขนะเป็นความพ้นไปจากทุกข์ทั้งหมดทั้งสิ้นแล้วก็เป็นอมตะธาตุเป็นอมตะธรรมหมายความว่าสิ่งนั้นแหละไม่เคยเขาเรียกว่าเมื่อไม่เคยปรากฏตัวเท่ากับว่าไม่มีการเกิดแล้วก็เมื่อไม่ปรากฏตัว ไม่มีการเกิดถ้่ากับว่าไม่มีการตายเพราะฉะนั้นสัจจะธรรมะสูงสุด ท, ที่เรียกว่าไม่เกิดไม่ตาย <G ül> ก็คือธรรมชาติรู้ธรรมชาติรู้นี่แหละเป็นธรรมชาติที่ไม่เกิดไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายแล้วธรรมชาตินั้นคือได้แต่รู้จริงๆธรรมชาตินั้นเนี่ยพูดก็ไม่ได้ธรรมชาตินั้นเ <G ül üyor> นี่ยไปรู้อะไรมาก็มาเล่าให้คนอื่นฟังไม่ได้ว่าไปรู้ไปเห็นอะไรมาเขาได้แต่รู้เขาไม่มีปฏิกิริยาใดๆนะ เขาไม่เป็นอะไรทั้งหมดไม่เป็นทุกข์ไม่เป็นสุขไม่เป็นความนิ่งไม่เป็นความเฉยคือไม่เป็นอะไรเลยนะเป็นแต่หลวงพ่อ ไ, ไม่รู้จะบัญญัติศั์อะไรเอาเป็นว่ามันพ้นไปจากทุกข์ทั้งปวงก็แล้วกันเพราะฉะนั้นเนี่ยที่เราเรียนเราเรียนอ่าเรียนธรรมะปฏิบัติธรรมะเราเรียนสูงสุดก็คืออะไรก็ ค, คือสู่ความพ้นทุกข์สู่ความพ้นทุกข์ตอนนี้ที่หลวงพ่ออธิบายแบบเนี้ยตอนเนี้ย เข้าถึงเรียบร้อยแล้วสู่ไปถึงเรียบร้อยแล้วหลวงพ่อจะแยกให้อย่างนี้ทุกคืออะไรทุกคือตัวเราที่เป็นตัวปลอมเนี่ยอันนี้เขาเรียกว่าทุกเพราะเกิดขึ้นแล้วแก่เจ็บตายไปสลายไปเขาเรียกว่ากองทุกเขาเรียกว่าทุกอันนี้มีอยู่แต่ต้องแตกสลายนะดับไปเหมือนกันแต่ที่ไม่ทุกเลยคืออะไรก็คือธรรมชาติรู้ที่รู้ทุก ธรรมชาติที่รู้ทุกนั่นแหละธรรมชาตินั้นคือธรรมชาติที่ไม่เป็นทุกข์เพราะฉะนั้นที่พระพุทธเจ้าสอนเรื่องทุกข์กับความไม่ทุกข์ก็คือมีแค่นี้เองไม่ใช่ว่าเอาตัวเราให้พ้นทุกข์ให้ตัวเราไปถึงความไม่ทุกข์เพียงแต่มีปัญญาเข้าใจเรื่องทุกข์กับความไม่ทุกข์ทุกข์ก็คือตัวปลอมตัวขันห้าไม่ทุกข์ก็คือตัวที่รู้ขันห้าแค่นี้แหละก็คือก็จะจบหลักสูตรที่พระพุทธเจ้าท่านสอน นั่นเนี่ยไม่มีเราไปถึงไหนหรอกไม่มีเราไปถึงนิพพานหรอกเพราะเรามันเป็นเราตัวปลอมมันตายตั้งแต่ต้นทางแล้วจาริยาเพิ่มเติมในส่วนที่หลวงพ่อพูดนะว่าเข้าใจเพิ่มขึ้นไหมเมื่อก่อนเข้าใจยังไงแล้วตอนนี้เข้าใจยังไงมันมีความต่างยังไงบอกไม่ถูกค่ะเหมือนบว่าข่างไปก็มันมันเป็นความปิติอย่างที่บอกค่ะคือการที่แบบเออเราเราลุกขึ้นมาแล้วแบบเราเห็นตัวเองอะ่ะ เห็นตัวเองกำลังขยับปากเนี้ยค่ะเห็นความรู้สึกปื๊ปิติในใจแบบเริ่มละล้นลูกปลาอล้วรู้สึกหัวใจพองโตเห็นโลกเห็นโลกเห็นโลกอีกมุมที่เราไม่เคยเห็นนะคะบอกไม่ถูกเหมือนกันแต่ว่าแล้วก็ได้ได้รู้วันนี้ยค่ะคืออะไรก็คืแตกจากแตกต่างจากสิ่งที่เคยรู้ยังไงสิ่งที่เคยรู้ก็ ก็เคยก็รู้นะคะว่ามันจะต้องรู้ว่ามันจะต้องดูกายดูจิตสติปัฏฐานเนี่ยแหละก็ก็รู้แล้วก็ฝึกตามตามสภาวะตามสภาพตัวเองมาเรื่อยๆอะคะ่ะแล้วก็พอเออมาวันเนี้ยได้เข้าไปถามหลวงพ่อว่าตกลงตัวเราที่หลวงพ่อพูดถึงมันคืออะไรแล้วก็ดูให้หลวงพ่อดูให้เห็นตัวเราแล้วมันก็แบบโอ้ เราเห็นตัวเราอยู่ในห้องอะ่ะเราเห็นตัวเราอยู่ในห้องเราเห็นเราเรากำลังพูดเรากําลังนั่งเรากําลังมองผู้คนนะคะมนันแบบว่าโอ้มันสว่างขึ้นมาเลยในใจอะคะ่ะแล้วแล้วมันก็มีความปิติว่าโอ้เราเราเห็นทางที่ถูกแล้วเนาะเราเหลือแค่บอกว่าเราต้องฝึกให้เชี่ยวชาญเพิ่มมากขึ้นนะคะเพื่อที่เพื่อที่ว่า มันจะชํานาญมากขึ้นแล้วเราจะเห็นตัวเองแบบเนืองๆที่หัวข้อของวันเนี้ยพอเห็นเนืองๆแล้ววันหนึ่งเราก็จะเห็นว่าในตัวปลอมเนี่ยเป็นใครแล้วก็ตัวเราตัวเราที่เราเห็นเนี่ยเป็นอะไรแล้วแล้วจะมีสักวันไหมที่เราเราจะไม่เห็นอะไรเลยเราจะไม่เห็นว่าเราแล้วเราก็จะิบโตกับธรรมชาติเป็นธรรมชาติอะไรอย่างนี้ยค่ะมันได้ความรู้สึกนั้นนะคะหลวงพ่อว่า เราก็ได้เครื่องมือที่จะไปไปฝึกฝึกตัวเองต่อค่ะค่ะเป็นที่แปลกนะเพราะเราลองสังเกต น, นะว่าคนที่เคยมาร่วมสนทนากับหลวงพ่อคนอื่นๆเนี่ยบางทีเราไม่ได้คุยถึงขั้นลึกแบบนี้เพราะเหตุว่าบางทีเนาะเรื่องสติปัญญาเนี่ยมันไม่เท่ากันไงบางคนก็จะไปติดตรงนั้นตรงนี้แต่สิ่งที่ถูกปิดบังมากที่สุดคือไม่รู้ตัวเรามีแต่ตัวเรานะ่ยไปรู้สิ่งอื่น ตรงนี้มันเป็นปัญหาเขาเรียกว่ามันรู้ผิดตัวถ้ารู้ผิดตัวเนี่ยมีความเพียรเท่าไหร่นะมันก็เนื่นช้าหมดเลยแต่เราถ้ารู้ถูกตัวก็คือตรงประเด็นคือรู้มาที่ตัวเราเพราะทุกคนเนี่ยย่อมรู้จักตัวเองดีรู้จักตัวเราดีแต่เวลาปฏิบัติผิดเนี่ยมักเอาตัวเราเนี่ยไปค้นคว้าไปแสวงหาไปเรียนรู้ไปจากสํานักนี้ไปสํานักนู้นออกจากขับเฮาห้องนี้ไปห้องนู้น แต่ไม่เคยรู้ตัวเลยว่าเราเนี่ยวิ่งเพ่นวิ่งพ่านไปหมดเลยแต่ถ้ารู้ตัวเรามันจบเลยว่าอ๋อที่แท้นี่ต้องมาเรียนตัวเราไอคนที่มันสแสวงหาเนี่ยนะไอคนที่ดิ้นเนี่ยรู้ตัวเนี่ยพอรู้ตัวนี้เสร็จจอดเลยหยุดสนิทเลยไปไหนไม่ได้เพราะว่ามันรู้ถูกตัวอืทีนี้เมื่อรู้ถูกตัวเนี่ยที่หลวงพ่อพูดตรงเนี้ยคําว่าตัวเราเนี่ยถ้าพูดภาษาอีกภาษาหนึ่งก็คือตัวกลัว ถ้ารู้กูก็คือก็จบเหมือนกันแต่ถ้าเอากูไปรู้เสร็จหมดเลยเพราะว่าออกไปรู้นอกตัวหลวงพ่อยกตัวอย่างนะยกตัวอย่างเพื่อเห็นภาพว่าแน่นอนนะ่ะคนที่ใฝ่ในธรรมเนะย่อมเอาตัวเราเนี่ยไปเรียนรู้ไปเรียนรู้ธรรมะไปอ่านนะไปอ่านหนังสือก็เอาตัวเราเป็นผู้อ่านไปฟังธรรมตามวัดตามสํานักปฏิบัติต่างๆก็เอาตัวเราไปวัด นะไปแล้วก็เอาตัวเราไปฝึกไปปฏิบัตินะเช่นเอาตัวเราไปเดินจงกรมเอาตัวเราไปฝึกสติกับการยกมือ14จังหวะแนวหลวงพ่อเทียนนะเอาตัวเราไปหมดเลยแต่หารู้ไม่ว่าสิ่งที่พระพุทธเจ้าท่านสอนเนี่ยท่านสอนให้รู้ตัวเราผู้อ่านหนังสือให้รู้ตัวเราผู้ไปสำนักนี้ผู้ไปสำนักน้นให้รู้ตัวเราผู้ผู้ผู้เดิน พอรู้ผิดปั๊บเนี่ยคือไม่เห็นตัวเราสักทีนึ่งมันจุดใต้ตําตอมันเป็นญ้าปากคอกที่มองไม่เห็นก็เลยเอาตัวเราเนี่ยสวยงาเพื่อที่จะให้ตัวเราพ้นทุกมันพ้นทุกไม่ได้หรอกตราบใดที่ไม่เห็นตัวเราว่าตัวเรามันไม่ใช่ตัวเราเพราะฉะนั้นเนี่ยทางที่รัดที่สั้นที่สุดก็คือรู้ตัวเราพอรู้ตัวเราเน่ยต้องรู้ด้วยปัญญาว่าไอ้ตัวเราเนี่ยมันเป็นตัวปลอมมันตัวปลอมทําไมเรียกว่าตัวปลอมเพราะว่ามันเปลี่ยนได้ แล้วก็รู้อยู่นี่ว่าตัวเราทั้งตัวเปลี่ยนได้จากเด็กเป็นผู้ใหญ่เป็นผู้แก่แล้วในตัวเราเนี่ยเปลี่ยนหมดไม่ว่าทั้งสภาพร่างกายหรือสภาพจิตใจจิตใจก็บางทีเป็นทุกข์บางทีก็เป็นสุขเนี่ยมันอยู่ในตัวเราหมดเลยถ้ารู้ตัวเราเนี่ยหมายความว่ามันจะมีตัวรู้ที่ไม่มีตัวเนี่ยมันจะแยกมันจะหลุดมันจะพ้นออกมาเป็นผู้ดูตัวเรานะแล้วไอ้ตัวรู้ที่มันมันพ้นจากตัวเราเนี่ยอตอนนั้นเนี่ยก็เรียกว่า เป็นธรรมชาติรู้ที่พ้นทุกนะมันพ้นทุกเลยมันรู้ทุกแล้วมันรู้จักตัวมันดีว่ามันอ่ะอิสระภาพแล้วคือมันไม่ทุกขมันไม่สุขมันอ่ะมีแต่วิมุตย์อย่างเดียวก็คือหลุดพ้นหลุดพ้นจากทุก์ทั้งหลายทั้งปวงนะเมื่อมันรู้จักตัวเองแล้วเนี่ยหมายถึงว่าไอตัวรู้เราอ่ะนะมันรู้จักตัวเองแล้วว่าสิ่งใดก็ตามที่มันไปรู้ไม่ใช่ตัวมันเพราะมันเนี่ยมีแต่ความรู้ แล้วสิ่งอื่นก็จะรู้มันไม่ได้ด้วยเพราะมันเนี่ยเป็นความไม่ปรากฏตัวเนี่ยมันเล่นรับซับซ้อนอย่างนี้มันละเอียดเหลือเกินนะจึงยากเกลือเกินที่จะอธิบายให้ใครฟังได้เราบางทีอธิบายแนวนี้ไม่เข้าใจก็ตัวอย่างอ น, นุมาประกอบเพื่อที่จะให้รู้ให้เห็นนะเมื่อรู้ไม่เห็นเนี่ยตรงเนี้ยของของโยมจิตเรยานี่นะก็หมายความว่า ได้ต้นทางแล้วได้ทางแล้วเขาเรียกว่าได้มรักแล้วเดี๋ยวผลมันก็เกิดแน่นอนผลก็คือเมื่อเมื่อแจ้งเมื่อชํานาญจากการทําแบบเนี้ยมันชํานาญมากขึ้นยิ่งชำนานเท่าไหร่ก็เขาเรียกว่ามันเป็นความรู้แจ้งรู้จริงรู้สิ้นยึดแล้วหลุดพ้นได้นะหลุดพ้นได้จริงแล้วการหลุดพ้นเนี่ยจริงๆก็คือขณะใดที่รู้แจ้งคือรู้ตัวเรามันก็หลุดพ้นในขณะที่รู้แจ้งในตัวเรานั่นแหละเพราะมันรู้ว่าตัวเราเป็นตัวปลอมแล้วก็ไม่ยึดถือ นี่คือการรู้แจ้งรู้จริงรู้แล้วไม่ยึดไม่ถือก็เป็นความหลุดพ้นจริงๆริงมันไม่ยากแล้วละ่ะทีนี้เดี๋ยวลึกๆกว่านี้ก็เดี๋ยวค่อยๆพูดวันอื่นอีกเพราะว่าเอาตรงนี้ให้มันแจ่มแจ้งแจ่มชัดแล้วก็ผู้าคนอื่นก็สามารถที่จะน้อมใจแล้วก็เห็นตามได้ถ้าใครเห็นตามได้ง่ายแล้วทีเนี้ยง่ายและการปฏิบัติเนี่ยง่ายมากเลยญาติโยมที่ได้ฟังหลวงพ่อวันนี้เนาะ สิ่งใดที่รู้สึกว่าอืเข้าใจแล้วไอ้ตรงเข้าใจตรงนั้นแหละเขาเรียกว่าปัญญาแล้วก็ปัญญาที่ได้มาเนี่ยอย่าอย่าทิ้งเอาปัญญามาใช้แล้วก็ฝึกซ้อมเข้าใจเริ่มต้นเข้าใจยังไงก็ฝึกซ้อมตรงนั้นอย่างของโยมจิระยาเนี่ยชัดเจนคือได้ชี้บอกแล้วก็เกิดการเข้าใจเมื่อเข้าใจตรงเนี้ยก็ซ้อม ซ้อมบ่อยๆเลยอย่าทิ้งจะนั่งจะนอนตรงไหนที่ที่ไม่พูดคุยจริงๆระหว่างพูดหรือคุยกับใครก็ตามมันก็ยังซ้อมได้เพราะเหตุว่าเวลาเราสนทนากับใครเราก็ต้องเห็นคนอื่นแล้วก็ต้องเห็นตัวเองอยู่แล้วนะมันก็พร้อมไปเลยคือการพูดการทำเนี่ยทำไปเหมือนปกติแต่ก็ให้เห็นเห็นเบาๆนะอย่าอย่าอยา อ, ยาอย่าตั้งรู้อย่าตั้งรู้อย่าตั้งรู้หมายความว่าอย่าตั้งรู้ที่จะรู้เราเพียงแต่ว่ารู้บางๆเบาๆว่า มีเราอยู่เราในที่นี้คือเราตัวปลอมนะรู้บางบางเบาๆแค่แค่รู้ว่ามันมีอยู่ก็แล้วกันแค่เนี้ยให้บางเบาถ้าไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวมันก็จะไปการตั้งรู้จะไปตั้งรู้คือตั้งรู้เราตั้งรู้ตัวเองไอตัวตั้งรู้อันนั้นเดี๋ยวมันก็เป็นเป็นตัวเราอีกตัวหนึ่งที่เป็นผู้ตั้งก็ลองลองไปไปเนี่ยไปใช้อุบายแบบเนี้ไปเล่ น, เ ล, นเล่นกันดูแล้วก็จะรู้แจ้งเห็นจริงแล้วก็จะเข้าใจชัดยิ่งขึ้นนะเนี่ยก็ฝากไว้ววแค่นี้เนาะ